ตอนเราคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะจะเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com วันนี้เป็นตอนที่4แล้วนะคะของเรื่องชีวิตโยคี จากหนังสืออัตาชีวประวัติของโยคยีปรมาหังษาโยคานันทะค่ะซึ่งบอกเล่าเรื่องชีวิตของโยคยีโดยโยคียเป็นคนเขียนเองนะคะท่านปรมาหังษาเป็นโยคียชื่อดังในอินเดียที่ไปโด่งดังในสหรัฐอเมริกาและท่านเขียนเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะเพื่อให้คนภายนอกได้รับรู้ ชีวิตของนักบวชในศาสนาฮินดูซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนะคะของสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่4แล้วเรื่องราวก็แสดงให้เห็นถึงความคิดความฝันของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะเป็นนักบวชค่ะ อยากจะแสวงหาคำตอบบางอย่างให้กับชีวิตและก็ได้พบกับเรื่องมหัศจรรย์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริ์มากมายก็นอกจากจะได้รับรู้เรื่องของชีวิตโยคีแล้วนะคะยังเป็นหนังสือที่สนุกมากเป็นหนังสือที่ขายดีมากและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือจิตวิญญาณที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในศตวรรษที่เดียว การสแสวงหาก็เป็นได้หลายรูปแบบนะคะนี่เป็นการสแสวงหาในรูปแบบของทางศาสนาฮินดูศาสนาเก่าแ ก, ก่ของอินเดียค่ะที่มีรากฐานผูกพันยาวนานกับพุทธศาสนาของเราเอาละค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยมาลุ้นกันนะคะว่ามูกุนทะ ซึ่งเป็นชื่อเดิมของท่านปรมาหังษาเนี่ยท่านจะสามารถหนีไปที่เทือกเขาฮิมาลัยได้สำเร็จหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ชตินทะนะคะเพื่อนของท่านหายไปซะแลว้วเพื่อนที่มาด้วยกันสามคนหายไปหนึ่งคนตามยังไงก็ตามไม่เจอเอาละสิ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามต่อได้เลยค่ะ เมื่อตามหาเพื่อนไม่เจอมูกุนทาก็ใจฝอดตัวชาด้วยความตกใจการออกสแสวงหาพราะเป็นเจ้าครั้งแรกถูกทำลายลงอย่างโหดร้าย ท, ทั้งทั้งที่วางแผนกันเอาไว้อย่างดีแล้วอามาเราต้องกลับบ้านแล้วนะการที่จะตินทะทิ้งเราไปอย่างไม่ใยดีแบบนี้ถือเป็นลางร้ายการเดินทางครั้งนี้มีแต่จะล้มเหลวเอาไรกัน เนี่ยนะที่นายบอกว่ารักเพราะเป็นเจ้าก็อีกแค่บททดสอบเราผ่านทางไอ้เพื่อนทรยศนั่นนายก็ทนรับไม่ได้แล้วหรือไงคำพูดของอมาที่บอกว่านี่คือบททดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าทําให้มุกุลทะกลับมามีขวัญกําลังใจดีขึ้นทั้งคู่ก็แวะกินขนมกันเติมพลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็ขึ้นรถไฟ ไปหอระทวานโดยใช้เส้นทางผ่านบาเรรี่วันรุ่งขึ้นขณะยืนรอเปลี่ยนรถทางคู่ก็หยิบยกเรื่องสำคัญมาถกกันว่าเอามาฉันว่าไม่ช้าก็เร็วเราคงถูกพนักงานรถไฟซักถามเข้าจนได้พี่ชายของฉันฉลาดมากเขาต้องตามฉันเจอแน่ และไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงฉันจะไม่พู ด, ดปลดเป็นขาดนะอามาก็บอกว่าเอาหนะ้าฉันขอแค่ให้นายอยู่เฉยๆก็พอแล้วตอนที่ฉันพูดนายก็อย่าเพอ่ปล่อยกากหรือว่าหลุดยิ้มออกมาเชละ่ะคุยกันมาถึงตรงนี้เจ้าพนักงานชาวยุโรปของทางสถานีก็เดินตรงมาหามุกุลทะเขาโบกโทรเลข ซึ่งกระทำให้มุกุลทะเดาข้อความออกได้ในทันทีว่าจะต้องเป็นทลลเลขตามตัวจากพี่ชายของเขาแน่ๆเธอหนีออกจากบ้านมาเพราะความโมโหใช่ไหมไม่ใช่มุกุลทัศดีใจมากที่คนถามเลือกใช้คำถามในแบบที่ทำให้เขาสามารถตอบกลับได้อย่างเต็มปากเต็มคำโดยไม่ได้โกหกเพราะว่าครั้งนี้เขาไม่ได้หนีออกจากบ้านเพราะความโมโห แต่เขาหนีออกจากบ้านเพราะต้องการสแสวงหาองค์พระเป็นเจ้าต่างหากล่ะเจ้าพนักงานเปลี่ยนเป้าหมายไปถามอามาแล้วพวกเธออีกคนอยู่ที่ไหนบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้นะคือเขาก็ได้รับทราบค่ะว่ามีเด็กหนีมาสามคนนะคะตอนนี้อยู่แค่สองคนเอ๊ะจะใช่พวกเดียวกันหรือเปล่าตามที่ได้รับแจ้งมาอามาก็บอกว่า คุณครับคุณเองก็สวมเม่นตาอยู่แท้ๆคุณมองไม่เห็นหรือยังไงว่าเรามากันแค่สองคนแล้วผมก็ไม่ใช่นักมายากลซะหน่อยจะได้เซกเด็กอีกคนมาให้คุณได้จะพนักงานก็คงจะนึกเสียท่าอยู่ไม่น้อยที่บุ่มบามถามจนถูกเด็กตอกลับมาซะหน้า ง, ง่ายขาจึงถามใหม่ว่าเธอชื่ออะไร อามาก็โกหกเป็นไฟทันทีว่าใครๆเขาก็เรียกผมว่าโทมัสแม่ผมเป็นคนอังกฤษพ่อผมเป็นคนอินเดียที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์แล้วเพื่อนเธอล่ะอ๋อผมเรียกเขาว่าทอมสันน่ะมาถึงตอนนี้มุกุนทาก็แทบจะ ก, กลั้นยิ้มต่อไปไม่ไหวนะคะเขาก็รีบพ่าไปขึ้นรถไฟฟรีซึ่งได้จังหวะเปิดบูทเรียกผู้โดยสารพอดี อมาเดินตามมาพร้อมกับเจ้าพนักงานที่หลงเชื่อเขาเสียสนิทแถมยังมีน้ำใจช่วยพาทั้งคู่ไปนั่งที่ตู้สำหรับชาวโยุโรปอีกด้วย <c oughs> เหมือนกับว่า <c oughs> เขาไม่สามารถจะทนดูได้ให้เด็กชายที่เป็นลูกครึ่งอังกฤษสองคนเดินทางไปในตู้สำหรับคนพื้นเมืองเพราะอย่าง น, น้อยๆก็มีเชื้อสายเป็นฝรั่งเหมือนกันหลังจากที่พนักงานผู้นั้นลาจากไป ทั้งคู่ก็ระเบิดเสียงหัหเราะกันงอหายเลยทีเดียวอามาชอบใจที่สามารถหลอกเจ้าพนักงานยุโรปผู้มากด้วยประสบการณ์ได้เป็นผลสำเร็จตอนอยู่ที่ชานชาลามุกุนทะแอบเหลือบตาอ่านทัรเลขจากพี่ชายก็เห็นใจความว่าในโทรเลขนั้นมีข้อความว่า เด็กชาวเบงกอลสามคนแต่งตัวแบบคนอังกฤษหนีออกจากบ้านมุ่งไปหอรถวานผ่านทางมุคันเซรายกรุณาคุมตัวพวกเขาไว้จนกว่าผมจะไปถึงมีรางวัลตอบแทนความช่วยเหลือของท่านอย่างงามอามาฉันบอกนายแล้วว่าอย่าทิ้งตารางการเดินทางไว้ที่บ้าน พี่อนันตะคงไปเจอเข้าที่นั่นแน่ๆเลยอมายอมรับผิดแต่โดยดีจากนั้นขบวนบรถก็หยุดแวะที่บาริเี่ที่นี่ทวระกะประสาสมายืนรออยู่แล้วพร้อมกับทลเลขกของพี่ชายคือพี่อนันตะ แล้วก็พยายามจะรั้งทั้งคู่เอาไวา้แต่มุกุลทะก็กล่อมจนกระทั่งทวรกะยอมเชื่อว่าทั้งคู่ไม่ได้หนีมาเล่นๆและเมื่อมุกุลทะชวนทวรกะให้ไปด้วยกันเขาก็ปฏิเสธเหมือนกับที่เคยปฏิเสธมาก่อนหน้านี้แล้วขณะที่รถไฟเข้าจอดที่สถานีรายทางในคืนนั้น ระหว่างที่มุกุลทะกำลังอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นอามาก็ถูกเจ้าพนักงานปลุกขึ้นมาซักอีกครั้งแต่เจ้าพนักงานคนนั้นก็ตกเป็นเหยื่อความน่าเอ็นดูของลูกครึ่งโทมัสกับทอมสันอีกเช่นเคยถูกต้มะ ส, สนิทสุดท้ายทั้งคู่ก็ไปถึงหอรัตวานในยามฟ้าสางเมื่อไปถึง ก็เห็นเทือกเขาฮิมาลัยสูงเยี่ยมเทียมฟ้ามองเห็นได้แต่ไกลทั้งคู่วิ่งออกจากสถานีไปปะปนอยู่กับฝูงชนภายในเมืองสิ่งแรกที่ต้องทำคือเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมาเป็นชุดพื้นเมืองเพราะว่าพี่ชายรู้เรื่องที่ทั้งคู่ปลอมตัวเป็นลูกครึ่งยุโรปเสียแล้ว ทัคู่เห็นว่าควรจะต้องออกจากเมืองนี้ในทันทีจึงพากันไปซื้อตัว๋วเพื่อขึ้นเหนือไปยังเมืองรูสีเกตเมืองนี้เป็นเมืองของบรรดา น, นักสแสวงความรู้ทั้งหลายนะคะมีสํานักของรูสีของครูบาอาจารย์เนี่ยเต็มไปหมดมุกุลทะขึ้นไปนั่งอยู่บนรถไฟเรียบร้อยแล้วเหลือแต่อมาที่ยังเอ้นระเหย อ, อยู่ที่ชานฉลา จู่ๆเขาก็ถูกตำรวจคนนึงเรียกให้หยุดแล้วตำรวจก็คุมตัวทั้งคู่ไปยังสถานีตำรวจแถมยังยึดเงินไปอีกเสียด้วยตำรวจชี้แจงอย่างสุภาพว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องกักตัวทั้งคู่ไว้จนกว่าพี่ชายของมุกุลทะจะมาถึงพอได้รู้ว่า ทั้งคู่ต้องการที่จะหนีไปยังเทือกเขาฮิมาลายเพื่อไปสแสวงหาพระเป็นเจ้าตำรวจก็เล่าเรื่องประหลาดให้ทั้งคู่ฟังว่าทีแท้พวกเธอก็ครั่งใครนักบุญนี่เองแต่เธอจะไม่มีวันได้เจอสาวกแห่งพระเป็นเจ้าคนไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าคนที่ฉันได้เจอมาเมื่อวานนี้แน่ๆ ความจริงฉันกับเพื่อนตำรวจอีกคนหนึ่งเจอท่านครั้งแรกเมื่อ5วันก่อนตอนที่เราออกตระเวรหาฆาตกรคนหนึ่งตามริมฝั่งแม่น้ํำคงคาโดยได้รับคําสั่งให้จับตัวให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือว่าจับตายว่ากันว่ามันปลอมตัวเป็นสาธุคอยดักปร้นผู้มาแสวงบุญมองไปข้างหน้าไม่ไกลนักเราเห็นคนที่มีรู ป, ปรพรรณสันทานคล้ายกับคนร้ายเราร้องบอกให้เขาหยุดแต่เขาก็ไม่ยอมหยุด เราจึงวิ่งไล่ตามจนทันพอเข้าถึงด้านหลังฉันก็จามขวานใส่สุดแรงเกิดเล่นเอาแขนขวาเขาขาดห้อยร่องแรงจะหลุดแลไม่หลุดแลแต่คนผู้นั้นกลับไม่ร้องสักแอบไม่แม้แต่จะใชยตามองบาดแผลชะกันนั่นแถมยังเดินรุดหน้าต่อไปได้อย่างน่าประหลาดใจพอฉันกระโจนเข้าไปขวางหน้า เขาก็พูดออกมาอย่างสงบว่าเราไม่ใช่ฆาตรกรที่พวกเจ้ากําลังตามหาตอนนั้นฉันใจหายว่าเมื่อรู้ว่าฉันได้ทําร้ายนักบวชผู้น่าเลื่อมใสเข้าให้เสียแล้วฉันซุดตัวลงแทบเท้าท่านวิงวอนขอให้ท่านยกโทษให้แล้วก็ปลดผ้าโพกหัวออกมาหมายจะใช้ห้ามเลือดที่ไหลทะลักออกมาไม่หยุด ลูกเอ้ยเราเข้าใจดีว่ามันเป็นเพียงความผิดพลาดที่เจ้าไม่เจตนาไปทำงานต่อเธอและอย่าโทษตัวเองอีกเลยพระโลกกับมาตาจะทรงดูแลเราเองว่าแล้วท่านก็ดันแขนส่วนที่ห้อยร่องแร่งขึ้นไปประกบกับที่โค้นแขนปรากฏว่าเั้นติดเข้าที่แม้แต่เลือดก็หยุดไหลได้ยังไงก็ไม่รู้ จากนั้นท่านก็บอกกับเราว่าอีกสามวันให้ไปพบกับท่านที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าท่านหายสบายดีทุกอย่างเราจะได้ไม่ต้องเฝ้าแต่ตําหนิตัวเองอีกต่อไป<ม>แล้วก็เมื่อวานนี้ฉันกับเพื่อนก็ได้ยย้อนกลับไปพบท่านณนจุดนัดหมาย ซ e ึ่งปรากฏว่าท่านก็ร้อยอยู่ที่นั่นแล้วและท่านก็ให้เราตรวจดูบาดแผลได้แขนของท่านไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยนักบวชผู้นั้นบอกกับตำรวจว่าเราจะริกผ่านมาทางรือสีเกตเพื่อไปแสวงหาความวิเวกต่อยางเทือกเขาฮิมาลัยท่านสาธุให้พรเรา แล้วก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วตำรวจเล่าเรื่องจบลงประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้ตำรวจมีทัศนคติเปลี่ยนไปจากเดิมเขายื่นรายงานข่าวที่ตัดเก็บไว้จากหนังสือพิมพ์ให้มุกุลทะดูด้วยทีท่าหน่าประทับใจ โดยปกติแล้วหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่มักชอบโหมประโคมข่าวเกินจริงและในข่าวนี้ก็เขียนเกินเลยไปถึงขนาดกล่าวอ้างว่าท่านสาธุถูกฟันเสียคอเกือบขาดจริงๆและเป็นแขนอมาก็บน่นบอกว่าแหมเสดายจังไม่มีโอกาสได้เจอกับโยคียผู้ยิ่งใหญ่ที่ตำรวจเล่าให้ฟังทั้งคู่ขอบคุณตารวจที่เล่าเหตุการณ์อันแสนวิเศษให้ฟัง แล้วก็ช่วยให้หายเบื่อไปได้มากโข ổ. บางทีตำรวจผู้นี้อาจจะกำลังบอกเป็นในๆว่าเขาโชคดีกว่าที่อยู่ๆก็ได้พบกับนักบุญผู้บรรลุธรรมโดยที่ไม่ต้องไปสแสวงหาผิดกับทั้งคู่ที่ดิ้นรนสแสวงหาแทบตายนอกจากจะไม่ได้ความสมดังตั้งใจแล้วยังต้องมาจบเฮลงที่สถานีตำรวจโสมนสนี้อีกต่างหากทั้งๆที่ฮิมาลายัย ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ก็ไปไม่ได้ต้องมาถูกกักตัวเอาไว้เช่นนี้หิมาลัยจึงดูไกลราวกับอยู่สุดล่าฟ้าเขียวเลยทีเดียวโมกุญทะก็เลยบอกเพื่อนว่าอมาพอศบช่อง เราหาทางนี้กันเหอะเมืองฤษีเกตอยู่ใกล้แค่นี้เองเราเดินเท้าไปก็ได้แต่ทันทีที่เงินถูกตำรวจปริบไปหมดอามาก็หมดกำลังใจไปด้วยถ้าเราเดินบุกป่ารกชัดนั่นไปไม่ใช่แต่ว่าจะไปไม่ถึงเมืองฤษีเกตเท่านั้นนะฉันว่าเราอาจจะไปลงเอออยู่ในท้องเสือเสียด้วยแล้วไม่ว่านะสิอามาไม่กล้า สามวันต่อมาพี่อนันตะกับพี่ชายของอมาก็เดินทางมาถึงอมารู้สึกดีใจแล้วก็โล่งใจที่ได้เห็นหน้าพี่ชายคือเริ่มเปลี่ยนใจและเริ่มกลัวแต่มุกุลทะไม่ดีใจด้วยมมกุลทะต่อว่าต่อคานพี่ชายอย่างรุนแรง แต่พี่ชายก็บอกว่าพี่เข้าใจนะว่าเธอรู้สึกยังไงพี่ขอแค่ให้เธอไปพาราณสีพบบัณฑิต ท, ท่านหนึ่งกับพี่แล้วก็กลับไปหาพ่อที่กาลกตตาสักสองสามวันพอให้ท่านหายโศกเศร้าและหลังจากนั้นจะกลับมาตามหาอาจารย์อีกพี่ก็ไม่ว่าอามาบอกว่า เขาจะไม่กลับมากับมุกุลท้าอีกแล้วเขามีความสุขกับความรักความอบอุ่นในครอบครัวคืออมานีล้มเลิกเปลี่ยนใจรู้สึกกลัวรู้สึกว่าอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นความคิดชั่วเล่นแต่มุกุลท้านั้นรู้ตัวดีว่าเขาจะไม่มีวันล้มเลิกการสแสวงหาอาจารย์เป็นอันขาด ทั้งหมดขึ้นรถไฟไปเมืองพราราณสี oh, oh. และที่นี่มุกุลท้าได้สวดภาวนาขอคำชี้ขาดจากพระเป็นเจ้า oh. และพระองค์ก็ทรงตอบรับคำวิงวอนของเขาในทันที oh, ทำไมถึงเชื่อว่าพระองค์ทรงตอบรับคำวิงวอน ติดตามคำตอบได้ช่วงหน้าค่ะ คุณกำลังฟังห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS นะคะกลับมาฟังชีวิตโยคีโดยท่านปรมาหังสาโยคานันทะกับอัตาชีวประวัติของโยคีที่ท่านเขียนเองกันต่อค่ะวันนี้เป็นตอนที่4นะคะจากนั้นค่ะมูกุนทะก็ได้คนพบว่า พี่สายของเขาได้ตเตรียมแผนการอันแยบยนต์เอาใบล่วงหน้าก่อนที่จะไปรับมุกุลทะมาจากหอรัตวานอนันตะได้แวะมาที่พารณสีเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านคำพีท่านหนึ่งบัณฑิตผู้นี้กับลูกชายของเขาสัญญากับพี่อนันตะว่าจะเกลี้ยกล่อมให้มุกุลทะเนี่ย ลมเลิกความคิดที่จะออกบวชเป็นสัญญาสีให้จงได้สัญญาสีแปลว่าผู้สละก็คือจะเกลกร่อมเกลียกร่อมให้ลมเลิกความคิดที่จะออกบวชนะคะจากนั้นพี่ชายของมุกุลทะก็าาพาเขาไปยังบ้านของบัณฑิตผู้นั้นซึ่งก็ได้รับการต้อนรับ จากลูกชายของท่านบัณฑิตที่ลานบ้างเขาเป็นชายหนุ่มท่วงท้าคล่องแคล่วกระตือรือร้นชวนข้าพเจ้าสนทนาเรื่องปรัชญาเสียยืดยาวนอกจากนี้ยังอ้างตัวว่ามีตาทิพย์มองเห็นอนาคตของข้าพเจ้าได้แจ่มแจ้งแทงตลอดจึงไม่เห็นด้วยที่ข้าพเจ้าคิดจะออกบวช เธอจะประสบแต่เรื่องร้ายๆและจะไม่มีวันได้พบกับพระเป็นเจ้าถ้าเธอคิดจะละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบในชีวิตแบบนี้เธอจะลบล้างกรรมเก่าให้หมดไปไม่ได้ถ้าเธอไม่เดียวใช้ชีวิตในทางโลกซะก่อนแต่มุกุณทะกระโตตอบกลับโดยอัมริจธรรมจากคำพีพระควัตขีตาว่า แม้ผู้ประกอบกรรมอันต่ำซามหากมุ่งทำสมาธิต่อเราอย่างแน่วแน่ก็ย่อมจะลบล้างผลกรรมในอดีตได้โดยพลันเขาชอบที่จะกลายเป็นผู้มีจิตวิญญาณตั้งอยู่ในธรรมย่อมที่จะได้รับสารติอันเป็นนิรันด์พึงตรหนักรู้เถิดว่าสาวกผู้ศรัทธามั่นต่อเราย่อมไม่มีวันถึงซึ่งความเสื่อม คือก็โต้ตอบอย่างฉับพลันแต่ถึงกระนั้นเขาก็อดที่จะวันไหวไม่ได้เขาจึงสำรวมจิตอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในใจว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรโดไขข้อข้องใจประทานคําตอบให้แก่ข้าพระบาทณที่นี้และในบัดนี้ด้วยเถิดว่าทรงมีพระประสงค์จะให้ข้าพระบาท ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งนักบวชหรือจะโปรดให้รั้งอยู่ในโลกิยวิสัยในขณะนั้นเองนะคะมุกุลทะก็เหลือไปเห็นนักบวชท่าทางน่าเลื่อมใสท่านหนึ่งยืนอยู่ที่นอกบ้านแล้วก็เหมือนว่านักบวชท่านนี้เนี่ยได้ยินบทสนทนาโต้ตอบระหว่างมุกุลทะกับลูกชายของท่านบัณฑิตที่พยายมามมเกลี้ยกล่อม ให้เขาล้มเลิกความคิดที่จะออกบวชนักบวชท่านนี้ก็เรียกมกุญทะเนี่ยเข้าไปหาซึ่งเขาก็รับรู้ได้ถึงพลังอันกร้าแข็งที่แผลพุพ่งออกมาจากดวงตาอันสงบนิ่งของท่านนักบวชท่านนี้บอกว่าลูกเอ๋ยอย่าไปฟังคำพูดของคนเขาเพราะเป็นเจ้า ส่งรับรู้ถึงคำภาวนาของเจ้าจึงส่งเรามายืนยันกับเจ้าว่าเส้นทางชีวิตของเจ้าคือการสละซึ่งทางโลกเท่านั้นมมกุญทาก็ยิ้มราดด้วยความปิติทันทีในขณะนั้นเองลูกชายของท่านบัณฑิตก็ตะโกน เ, นเรียกบอกว่านี่ออกมาให้พ้นจากผู้ชายคนนั้นนะ เพราะว่าเห็นมุกุลทะเนี่ยกำลังไปคุยกับนักบวชนักบวชผู้นั้นยกมือขึ้นให้พรแก่มุกุลทะแล้วก็เดินจากไปอย่างช้าๆาแต่สาทุนั่นเสียสติพอพอกับเธอนั่นแหละฉันได้ยินมาว่าเขาเองก็ทิ้งบ้านทิ้งช่อง ออกร่นเร่หาเพราะเป็นเจ้าอย่างเลือล่อนลอยเหมือนกันท่านบัณฑิตและลูกชายมองมุกุลท้าอย่างสลดใจมุกุลท้าหันหน้านี้บอกกับพี่บอกว่าจะไม่ยอมคุยกับเจ้าของบ้านทั้งสองอีกต่อไปก็เป็นอันว่าท่านบัณฑิตและลูกชายของท่านบัณฑิตไม่สามารถจะเปลี่ยนความคิดของมุกุลท่าได้ อนันตะพี่ชายของเขาจึงยอมออกจากบ้านหลังนั้นในที่สุดและต่อมาทั้งคู่ก็ขึ้นรถไฟกลับกลาลกาตากัน <P ain ful> เด็กหนุ่มก็ถามพี่ชายว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาจะหนีไปกับเพื่อนอีกสองคน <P ain ful> พี่ชายของเขายิ้มกลิ่มก่อนจะเฉลยว่า ไม่เห็นจะยากเลยพี่ไปดูที่โรงเรียนของเธอแล้วก็เลยได้รู้ว่าอมาออกจากห้องเรียนก่อนหมดชั่วโมงแล้วก็หายไปเลยเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ไปที่บ้านของเขาแล้วเจอตารางเดินรถที่พวกเธอทำเครื่องหมายกาเส้นทางเอาไว้พ่อของอมากาลังจะนั่งรถม้าออกไปพอดีพี่ดีนเขาพูดกับคนขับรถว่าเช้านี้ลูกชายฉันไม่ติดรถไปโรงเรียนด้วยไม่รู้ว่าเขาหายตัวไปไหน ขางคนขับรถม้าก็ตอบกลับมาว่าผมได้ยินมาจากคนขับรถม้าอีกคันว่าลูกชายคุณกับเพื่อนอีกสองคนแต่งตัวแบบคนยุโรปขึ้นรถไฟที่สถานีฮาวาร่าพวกเขายกรองเท้าหนังให้กับคนขับรถเสียด้วยนะพี่ก็เลยได้ข้อมูลสอย่างด้วยกันคือตารางเดินรถไฟเด็กชายสามคนกับเสื้อผ้าแบบคนอังกฤษ มูกุนทะฝั่งพี่ชายเปิดเผยขั้นตอนการสืบสวนอย่างชื่นชมคือชื่นชมด้วยแล้วก็เดือดดาลด้วยนึกในใจว่ารู้อย่างนี้ไม่ใจดียกรองเท้าให้กับคนขับรถมา้านั่นเสียก็ดีเลยกลายเป็นหลักฐานเลยจากนั้นพี่ชายของเขาก็รีบส่งโทรเลข ไปตามสถานีรถไฟตามที่อมาขีดเส้นใต้เอาไว้ในแผนที่และก็โทรเลขถึงทวรกะเพื่อนของมุกุลทะทันทีหลังจากาถามความจากเพื่อนบ้านที่กะลก้าตาอนันตะจิงได้รู้ว่าชูตินทะก็หายไปคืนหนึ่ง ก็แสดงว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นชุตินทะแต่เช้าวันรุ่งขึ้นชุตินทะก็กลับมาในชุดแบบคนยุโรปอนันตาก็ไปตามตัวชุตินทะจนเจอแล้วก็ชวนมากินอาหารเย็นด้วยกันระหว่างที่เดินมาด้วยกันอนันตะก็ล่อชุตินทะเข้าไปในโรงพักโดยที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัว แล้วก็ให้ตำรวจที่เลือกเอาไว้แล้วว่าหน้าตาหโหดเข้ามาล้อมวงพอชุตินทะถูกตำรวจหน้าโห ด, หดรุมจ้องเป็นขยงอย่างนั้นสุดท้ายเขาก็ต้องยอมขายเรื่องราวสารภาพออกมาจนได้ชุตินทะเล่าว่า ตอนแรกผมออกเดินทางไปหิมาลัยด้วยใจเบิกบานเต็มเปี่ยมไปได้วยความศรัทธาหวังอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับเกจิอาจารย์ทั้งหลายแต่ทันทีที่มุกุลท่าบอกว่าระหว่างที่พวกเราเข้าฌานอยู่ในถ้ากลางเทือกเขาหิมาลัยพวกเสือจะถูกมนต์สะกดและเข้ามานั่งล้อมพวกเราไวเหมือนแมวเชื่องเชื่องพอผมได้ฟังผมก็ตัวเย็นวาบ เงือผุดขึ้นรอบคิ้วแล้วไงล่ะถ้าอำนาจชานของเราไม่สามารถเปลี่ยนสัญชตาตญาณอันดุร้ายของเสือได้มันจะยังเชื่องกับเราเหมือนแมวที่บ้านหรือเปล่าผมนึกเห็นภาพตัวเองตกเป็นเหยื่อเข้าไปนอนกองอยู่ในท้องเสือแล้วก็ไม่ได้เข้าไปทั้งตัวในคราวเดียวกันหรอกนะแต่ถูกขมือบเข้าไปทีละชิ้นทีละชิ้นนี่เป็นสาเหตุที่ทาให้ชูตินท้าหวาดกลัวแล้วก็ไม่ยอมร่วมทางกับเพื่อน และเลือกที่จะนี้กลับมาซะก่อนมมกุลทะฟังความคิดของชุตินทะก็ขำทันทีความโกรธครึ่งที่มีต่อเพื่อนละลายหายไปกับเสียงหัวเราะเหตุผลที่มาจากเรื่องคุยกันบนรถไฟนี้มันช่างตลกนัก คือตอนแรกอะมุกุลทานี่ก็โกรธเพื่อนคิดว่าเพื่อนเนี่ยทรยศแต่เมื่อได้ฟังว่าจริงๆแล้วเพื่อนนี่กลัวมากแล้วก็กลัวจากเรื่องที่คุยกันเล่นๆบนรถไฟจากความโกรธก็เลยกลายเป็นความขคขาในความกลัวของเพื่อนเมื่อกลับมาถึงบ้านที่กะละก้าพ่อก็ขอร้องให้มุกุลทะ เพราเรื่องการไปนั่นมานี่ลงซะบ้างอย่างน้อยจนกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมระหว่างที่มุกุลทะหนีไปพ่อก็ได้เตรียมการบางอย่างเอาไว้ให้กับเขาด้วยความรักโดยขอให้ท่านสวามี เ, าเกพรานันทะ บัณฑิตผู้มีจิตบริสุทธิ์เยี่ยงนักบวชแวะมาที่บ้านเป็นประจำพ่อบอกว่าบัณฑิตผู้นี้จะมาช่วยสอนวิชาภาษาสันสกฤตให้กับลูกนะพ่อหวังจะสนองศรัทธาประสาทในทางศาสนาของข้าพเจ้าด้วยการเชิญนักปรัชญาผู้ทรงภูมิความรู้จริงๆมาสอนให้เสียเลยแต่แผนการของท่าน กลับให้ผลในทางตรงกันข้ามแทนที่จะเป็นการสอนวิชาการอันแห้งแล้งไร้จิตวิญญาณการสอนวิชาภาษาสันสกฤตของท่านเกพรานันทะกลับช่วยกระพือความปรารถนาที่จะค้นหาพระเป็นเจ้าของมูกุลทะให้เราร้อนยิ่งขึ้นพ่อของเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าท่านสวามีผู้นี้ก็เป็นสิทธิผู้บรรลุธรรมของท่านลาฮิริ มหัสยะท่านมหาสยะมีสิทธิ์อยู่หลายพันคนซึ่งดวนแล้วแต่ถูกบา ร, รมีของท่านดึงดูดให้เข้าหาอย่างไม่อาจจะต้านทานได้มูกุลทามาทราบในภายหลังว่าท่านลาหิาหริมหาสยะเปรียบท่านเกพรานันทะว่าเป็นเสมือนหนึ่งฤาษีหรือมุนีผู้มีปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งแล้ว ท่านสวามีมีใบหน้าที่หล่อเหลาหนวดเคราโดกนะ้าดวงตาดําสนิทเปิดเผยและสุขใสไร้มายาเหมือนดวงตาทารกท่านมีรูปร่างผอมบางทุกอิริยาบททุกการเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลายดูอ่อนโยนและมากด้วยเมตตาตามแบบฉบับของผู้มีจิตเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าอย่างแนว่วแน่มั่นคงแล้ว ท่านสวามีเกพรานันทะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคำภีโบราณที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแต่ว่าเมื่อมาเจอกับมุกุลทะมุกุลทะกลับจ้องแต่จะหาช่องออกนอกเรื่องไปให้พ้นจากไวยากรณ์อันแสนจะน่าเบื่อแล้วก็ชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของโยคะ ชวนคุยเรื่องของท่านลาฮิริมหัศยะท่านคือมักจะชวนคุยออกนอกเรื่องซึ่งประสบการณ์ที่ท่านสวามีท่านนี้เคยเได้ใกล้ชิดท่านลาหิริมหัศยะก็เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับมุกุลทะมากยิ่งขึ้น ทานเกพรานันทาก็บอกว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ท่านได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านมหาสยะนานถึงสิบปีบ้านของท่านที่เมืองพาราณสีเป็นสถานที่แสวงบุญของผู้คนมากมายทุกค่ำคืนท่านคุรุจะลงมาอยู่ที่ห้องโถงชั้นล่างตรงหน้าบ้านเสมอ ท่านจะนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่บนต่างไม้ไร้พนักพิงหลังแล้วก็มีบรรดาสานุสิ์นั่งรายล้อมเป็นครึ่งวงกลมดวงตาท่านเป็นประกายแจ่มจ้าด้วยความปิติสุขจากการเข้าถึงพระเป็นเจ้าเปลือกตาท่านหลุบลงครึ่งหนึง่งเหมือนกับกำลังเพ่งผ่านตาในลึกเข้าไปในอนณาจักแห่งความปิติสุข ท่านเกพรานันธาบอกว่าการได้อยู่ร่วมกับท่านมหาสยะนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากต่อให้ไม่ได้พูดจากันเลยนานหลายวันก็ยังถือเป็นประสบการณ์ที่ยัางความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวท่านอย่างลึกซึ้งเมื่อใดก็ตามที่ท่านพบกับอุปสรรคในการปฏิบัติสมาธิท่านก็จะไปนั่งสมาธิแทบเท้าของท่านมหาสยะ แล้วท่านก็จะบรรลุถึงสภาวะจิตอันละเอียดอย่างง่ายได้เหมือนกับไปขอพลังแล้วก็บอกว่าท่านคุรุเปรียบเสมือนเทวลัยแห่งพระเป็นเจ้าในมนุษยะโลกแล้วท่านก็พร้อมที่จะเปิดป ร, รับสานุสิ์ผู้พักดีต่อพระเป็นเจ้าเสมอ และไม่ว่าลูกศิษย์ของท่านจะประสบปัญหาใดท่านก็จะแนะนำให้ใช้กริยาโยคะเป็นทางแก้เสมอพูดง่ายๆก็คือให้แก้ด้วยการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของทางศาสนาฮินดูดดทันเกพรานันทาบอกว่าตัวครูเอง ก็ยึดถือว่ากริยาโยคะเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดที่จะนำพามนุษย์ไปสู่ความหลุดพ้นโดยอาศัยความมานะพยายามเฉพาะตัวซึ่งจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในระหว่างการดิ้นรนค้นหาพระเป็นเจ้าของมนุษย์แต่ละรูปแต่ละนามด้วยโยคะวิธีนี้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพลานุภาพอันไพศาลผู้ทรงแฝงเร้นอยู่ในตัวมนุษย์ทั้งหลาย จึงสำแดงพระองค์ให้เห็นผ่านทางกายเนื้อของท่านลาฮิริมหัศยะและสารุสิทธิ์ของท่านอีกจานวนหนึ่งจากนั้นท่านเกพรานันทะก็เด้นเล่าถึงปาฏิหาริย์ที่ครั้งหนึ่งท่านลาฮิริมหัศยะเคยแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์เรื่องของเรื่องก็คือ มีศิทธ์ร่วมสำนักกับท่านคนหนึ่งชื่อว่ารามูเป็นคนตาบอดท่านนึกสงสารเพื่อนคนนี้จับใจนึกเห็นใจว่าไม่น่าเลยที่คนคนนี้ซึ่งเป็นคนดีจะไม่มีโอกาสได้เห็นแสงสว่างเช้าวันหนึ่งท่านเกพานันทะก็หาโอกาสคุยกับรามูรามูเนี่ย มีหน้าที่ถือพัดใบตาลนั่งโบกพัดให้กับอาจารย์อย่างอดทนคราวละหลายๆชั่วโมงวันหนึ่งพอเขาออกจากการไปพัดให้กับอาจารย์ออกจากห้องมาทัานเกพรานนันทะก็เดินตามเข้าไปแล้วก็ถามว่ารามูเธอตาบอดมานานแค่ไหนแล้วก็ตั้งแต่เกิดนั่นแหละครับ บอดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมเธอไม่ขอให้อาจารย์ช่วยดูล่ะท่านอาจารย์น่ะเป็นผู้ทรงจิตตานุภาพท่านจะช่วยเธอได้นะวันรุ่งขึ้นรามูก็เข้าไปหาท่านลาฮิริมหัสยะท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความประมาและอายใจในการที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือทางกาย เพิ่มเติมจากทางจิตวิญญาณที่ท่านอาจารย์ได้มอบให้กับเขาอย่างล้นเหลือแล้ว ท, ท่านอาจารย์ขอรับพระผู้ยังความสว่างให้กับจักรวาลทรงสถิตยอยู่ในตัวท่านกระผมกราบวิงบอลขอท่านโปรดนำแสงสว่างแห่งพระผู้เป็นเจ้าบรรจุลงในดวงตากระผมเพื่อให้กระผมได้มองเห็นแสงตะวันรอนบ้างเถิดขอรับ ท่านอาจารย์ก็บอกว่ารามูมีใครบางคนคบคิดกันทำให้เราต้องลำบากใจซะแล้วเราไม่ได้มีอำนาจที่จะรักษาใครได้แต่ท่านอาจารย์ขอรับพระเป็นเจ้าที่สถิตอยู่ในตัวท่านต้องสามารถรักษากระผมได้อย่างแน่นอนในกรณีนั้นก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง รามูพระล้านุภาพของพระผู้เป็นเจ้าย่อมไร้ขีดจำกัดพระองค์ยังความสุขสกาวให้กับดวงดาวและจุดประกายชีวิตอันลี้ลับให้กับอนูในร่างของมนุษย์เราได้ฉันใดก็ย่อมยังแสงสว่างให้กับดวงตาของเจ้าได้ฉันนั้นท่านอาจารย์แตะมือลงที่หน้าผากของรามูตรงกึ่งกลางระหว่างคิ้วทั้งสองแล้วก็บอกเขาว่า เพ่งจิตของเจ้าไว้ตรงจุดนี้แล้วสวดสรรเสริญพระนามพระรามอยู่เสมอในช่วงเจ็ดวันนี้แล้วแสงอันเรืองรองของพระสุริยเทพจะเริ่มปรากฏให้เจ้าเห็นเองปรากฏว่าหลังหนึ่งสัปดาห์ผ่านพ้นไป <I> เหตุการณ์ก็เป็นไปดังที่ท่านว่าจริงๆ <I> เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่รามูสามารถมองเห็นความงดงามของธรรมชาติท่านบอกว่าศรัทธาของรามูเปรียบได้กับดินร่วนซุยที่จะยังมเมล็ดพืชให้เจริญงอกงามเติบโต ท่านเกพานั tha บอกว่าปาฏิหาริ์ทุกอย่างที่ท่านอาจารย์ลาหิริมหัศยะได้สําแดงไว้นั้นท่านไม่เคยปล่อยให้ความถือดีในอัตตามาอ้างตนว่าเป็นพลาณุภาพที่บันดาลให้เกิดปาฏิหาริ์ทั้งหมดขึ้นมาเลยสักครั้งการที่ท่านมอบกายถวายชีวิตให้กับพลาณุภาพในการเยียวยารักษาของพระเป็นเจ้าโดยไม่มีข้อแม้ทาให้พลังดังกล่าวไหลผ่านตัวท่านได้โดยสะดวก ทลาฮิริมหัสยะเคยรักษาผู้คนมากมายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่สุดท้ายคนเหล่านั้นก็หนีไม่พ้นเปลวไฟในเชิงตะกอนอยู่ดีแต่การปลุกจิตวิญญาณที่หลับไหลให้ฟื้นตื่นขึ้นกับการอบรมบ่มเพาะสานุสิทธิ์ให้เข้าถึงพระเป็นเจ้าได้ต่างหาก นั่นคือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงของท่านไปตราบนานเท่านานกลายเป็นว่าท่านเกยพรานนันทะที่พ่อของเขาตั้งใจจะให้มาสอนภาษาสันสกฤตกับเขาท่านเกพรานนันทะก็มาเพิ่มแรงบันดาลใจและความต้องการในการที่เด็กหนุ่มจะออกบวช และแสวงหาพระเพ็ญเจ้ามากยิ่งขึ้นคือแทนที่จะได้เรียนภาษาสันสกฤตกลับได้เรียนรู้ได้รับฟังเรื่องราวที่ทำให้เขามุ่งมั่นและก็แน่วแน่มากขึ้นในการที่จะละทิ้งทางโลกและเป็นนักบวชพบกับชีวิตโยคีของท่านปรามาหังสายโยคานันทะตอนหน้าตอนที่ห้านะคะ โอกาสที่จะเป็นนักบวชจะประสบความสำเร็จตอนไหนอย่างไรติดตามได้ที่นี่ห้องสมุดหลังไม่ w w w ร์ไวเบ็ตดอท o ทยพสวัสดีค่ะ